สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับในวันนี้เป็นวันแม่นะครับแล้วก็วันนี้วันแม่นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นรองวิกเอนนะฮะเราก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าต้องให้เกียรติผู้หญิงนะผู้หญิงเป็นใหญ่วันนี้เราต้องเทศนาซึ่งเป็นหัวข้อผู้หญิงซะหน่อยนะครับแต่จริงวันนี้ต้องบอกว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายฟังได้นะครับเพราะเราปากหนาจะเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงชื่นชมนะฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจามรณากันนะครับอย่างที่บอกวันนี้เนื่องในวันเมื่อวานนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ ชื่อว่าลูกๆหลายคนได้มีโอกาสได้แสดงความรักความอ่อตัญญูนะครับนี่เป็นคุณธรรมที่งดงามซึ่งคนไทยเราควรจะมีนะครับในการแสดงความรักต่อผู้มีพระคุณแม่นะครับหรือว่าสตรีนะครับก็เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทุกๆอย่างนะครับผู้หญิงเป็นเหมือนกับเหมือนกับคนที่อยู่ข้างหลังคอยพักดันให้ผู้ชายขึ้นมายืนแถวหน้าอย่างประสบความสําเร็จมีเรื่องเล่าอื่นครับที่เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็เปิดแผ่นดินไหวหลายครั้งนะครับ ทีมกู้สร้างนะครับหรือหรือสร้างบ้านนะครับได้พบบ้านหลังหนึ่งครับก็เห็นผู้หญิงคนหนึงคุกเข่าเสียชีวิตในท่าแปลกๆนะครับตอนแรกก็ทีมกู้ภัยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เดินผ่านไปสักพักหนึ่งถอนรู้สึกแปลกใจนะครับก็เลยเดินกลับไปนะครับก็พอไปถึงนั่นก็พิกศพครับพบทารกวัยสวัยสมขวบนะครับนอนหลับอยู่ในผ้าห่มนะครับพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่พิมพ์ข้อความไว้ว่า ถ้าหนูลอดจำ เ, เอาไว้นะเพราแม่รักหนูมารับใจแล้วกันนะพอเด็กคนนั้นโตขึ้นมาแล้วก็คงจดจําข้อความนี้ไว้จนตลอดชีวิตของเขาว่าสุดท้ายคนที่ทําให้เขามีชีวิตอยู่ได้คือแม่หลายคนเี๋ยวนหนูได้เห็นคลิปนะครับที่ส่งมาตามไลน์แล้วก็มีภาพของผู้ชายคนหนึงพูดถึงที่พาแม่ไปทํางานในที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ประทับใจว่าแม่เขาเคยช่วยเขาในเหตุการณ์คล้ายๆกันคือ แม่ขณะที่เด็กกาลังเล่นน้ําจมน้าตายแม่ก็ไปฉุดเขาขึ้นมาจากน้านั้นแม่หรือสตรีเพศนะครับจึงเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างเลยงั้นเชื่อว่าถ้าใครยังมีแม่อยู่นะครับอยากให้เรามีโอกาสได้กลับไปบอกรักแม่นะครับบางคนอาจจะมาจากครอบครัวคนเอเชียคนจีนนะอาจจะไม่ได้มีโอกาสแสดงผมเชื่อว่านี่โอกาสดีนะครับอยาจะออกมีโอกาสกลับไปโอบกอดคุณแม่แล้วบอกรักแม่แม่ครับรักแม่จัง นะครับถ้าอยู่ห่างไกลกันก็ใช้เทคโนโลยีกดไลน์ไปหานะครับเราบอกว่ารักแม่จังเลยนะครับเอาแบบสั่นได้มีเสียงได้เลือกเอาแล้วกันนะครับแต่ผมอยากให้ลราลอ ง, ลองทําสิ่งนี้ถึงคนที่เรารักยาสิบประการบอกไว้ครับว่านี่เป็นหนึ่งในคําสัญญาของจาสิบประการข้อหนึ่งเลยคือจงให้เกียรติบิดามารดาเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายให้เกียรติบิดามารดาท่านจะไปดีมาดีมีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินโลก นี่เป็นมาตรวัดง่ายๆนะครับที่ทําให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยไปดีมาดีไหมแสดงว่าเราโอเคถ้าเราโอเคแสดงว่าท่านทั้งหลายได้ทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งสมควรทําคือให้เกียรติเวดามารดางั้นวันนี้ครับผมอยากจะมานําเสนอมุมมองหนึ่งครับของผู้หญิงหรือสตรีนะครับหรือแม่นะครับที่เป็นแบบอย่างที่พระเจ้าส่งชื่นชมในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราสามารถไม่เฉพาะสตรีอย่างเดียวนะครับเราทั้งหลายบุรุษด้วย สามารถเป็นบุคคลที่พระเจ้าชื่นชมได้และชีวิตแบบไหนล่ะที่ทําให้พระเจ้าชื่นชมได้นางมาธรรมาทิวนะครับหญิงชาวคณะอันคนหนึ่งพระเยซูได้ทรงชื่นชมเธอว่าความเชื่ อ, อเจ้ายิ่งใหญ่นักทงให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถอดโอ้ได้เป็นภาพที่น่าสนใจของที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันเราที่ถ่านด้วยกันใช่ไหมครับขอพระวิญญาณของพระเจ้านําเราพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสำหรับพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในบ่ายวันนี้ ขอพระองศงเปิดตาใจข้าพองค์หลายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นบรมครูนำความเข้าใจนี้ไม่เพียงแค่เข้าใจเท่านั้นแต่ขอทรงโดนหัวใจของข้าพองค์หลายให้ตอบสนองต่อความจริงนี้และยอมจำนนและปรารถนาที่จะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อจะเป็นเหมือนดั่งพระองค์มากขึ้นให้พระเจ้าทรงชื่นชมและพอพระทยัยขอพระงศงโปรดเมตตาด้วยเถิดครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระมมัทธิวครับเป็นพระกิตติคุณที่นําเสนอพระเยซูเนะี่ยในภาพของกษัตริย์นะครับกษัตริย์ที่จะมาปกครองไม่ใช่แค่ยิวอย่างเดียวแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่ามัทธิวน่าจะเขียนเพื่อบันทึกเรื่องราวของการเป็นพระเมสสยาของชาวยิวแต่เราเลองมองดูพระคัมภีร์ตรลอดทั้งเล่มเราเชื่ว่าพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์ของชาวยิวอย่างเดียวแต่เป็นกษัตริย์ของทุกบรรดาประชาชาติด้วยฉั้นโดยที่ผู้อ่านชาวยิวเนี่ยเราชื่เรรู้ว่าผู้อ่านเป็นชาวยิวเพราะว่า มัทธิวบันทึกเรื่องเราจะมีข้อวลีวลีหนึ่งเสมอเลยคือเพื่อให้สําเร็จตามข้อวัจนะที่ตัดตัวเพื่อเผรชนะที่ว่าแสดงว่าคนอ่านเนี่ยรู้เรื่องราวของพระคัมภีร์เดิมไปอย่างดีและพระเยซูเองเป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างที่พยากรไว้ในพระคัมภีร์เดิมสําเร็จหมดทุกอย่างพระเมสสิยาที่พวกเขาเองคิดชาวยิวคิดคือ เมสยาจะเอาเป็นกษัตริย์ปกครองปลดปล่อยเราจากอาณาจักรโลมอิสราเอลจะยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโอ้คิดอย่างนี้อย่างเดียวเห็จริงแล้วพระเมสยาที่มาถึงตรงข้ามกับความคิดที่เขาคิดเลยพระเมสยาเป็นบุคคลที่สุภาพอ่อนโยนเมตตากับคนบางคนที่ไม่น่าจะเมตตาเลยพรมันน่าจะเก็บเอาไว้สำหรับคนอิสราเอลดันแบ่งปันให้กับคนอื่นอีกดูสิเมสยาองค์นี้มาแปกแน่นอนครับการปรากฏตวงพระเยซูจึงนําแผนการแห่งความรอด และประเดินของพระเจ้าที่คนอิสราเอลเนี่ยรอคอยมานานแสนานานที่แม้แต่คนยิวพวกนี้อาจจะเข้าใจเพียงบางส่วนแต่แท้จริงแล้วพระองค์ความเข้าใจของพระเด็นของพระเจ้าของพระองค์กว้างใหญ่ไพศาลนิคหนาการมาทําตอนนี้ครับเรามาพบกับเรื่องราวของแม่ชาวคณะอันนะครับที่มาร้องขอพระเยซูช่วยเธอช่วยลูกของเธอให้หลุดรอดพ้นจากวิญญาณชั่วที่รบกวนหลังจากว่าทําตอนนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้พบลักษณะบางประการ ของสตรีที่พระเจ้าทรงชื่นชมนะครับประการที่หนึ่งครับถ้าเราอยากจะเป็นสตรีหรืออยากจะเป็นบุรุษหรืออยากจะเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงชื่นชมภาษาแรกต้องมีเลยครับคือความกล้าหาญคำชื่นชมที่พระเยซูมีต่อหญิงคนนี้ก็คือหญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าก็มากในบางฉบับนะครับหรือที่เราอ่านคือความเชื่อองเจ้าช่างยิ่งใหญ่ขอยเป็นตามความต้องการของท่านเถิด อะไรเนี่ยที่ทำให้พระเยซูเนี่ยเอ่ยปากชมผู้หญิงคนนี้ว่ามีความเชื่อมากหรือความเชื่อใหญ่ยิ่งใหญ่มากความเชื่อนี้เองทําให้เธอเองเป็นส่วนที่ทำให้พระเยซูเองรักษาลูกของเธอให้หายเห็นความเชื่อของเธอน่าสะท้อนลักษณะบางอย่างลักษณะอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือความกล้าหาญถ้าเชื่อต้องกล้าหาญเรามาดูครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับความจริงที่เกิดขึ้นที่ทําให้เธอกล้าหา ดูซิว่าเธอกล้าหาญได้อย่างไรหลังจากที่พเยซูนนะครับทำการรักษาผู้คนมากมายในแคว้นเยเนสเด็ตนะครับในบทที่14นะครับข้อที่34เป็นต้นไปเราจะเห็นว่าพิ耶ซูได้ทําการรักษาคนนะครับพระพี่บันทึกเรื่องราวหลังจากนั้นคือมีการประเชิญหน้าระหว่างผู้นําศาสนานะครับพวกฟรีสีและพวกธรรมจารย์มาบอกเลยเฮ้ย e สาวกของพระองค์หลังกินข้าวไม่ล้างมือตามธรรมเนียมปฏิบัติอย่างงี่ผิดนะ ยังงี้ชีวิตจะมีมนถินโอ้โหนี่คือสิ่งที่ยิวมีความเชื่อกันเพชรุเลยเสนอคําสอ น, น, นหนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิตเป็นมนถินก็คือโอ้ไม่ได้กินเข้าไปเป็นมนทินไอสิ่งที่ออกมาจากข้างในต่างหากที่ทําให้รถเป็นมนถินไม่ใช่สิ่งที่จากข้างนอกเข้าไปแต่สิ่งข้างในต่างหากละ่ะที่ทําให้รถเป็นมนถินจิตใจที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อฟังจิตใจที่เต็มไปด้วยความบาปนี่ต่างหากที่ทําให้รถเป็นมนถินนี่คือผู้นําศาสนาชาวยิวครับที่สนใจ เคร่งคัดต่อธรรมบัญญัติอย่างมากมายเลยแต่สุดท้ายทวกเขาดูเหมือนจะถูกกล่าวหาว่าน่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วใครล่ะเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์อดีง้งไม่มีความบังเอิญ น, นะครับเรื่องราวของหญิงชาวคณะอันจึงมาเสียบต่อจากเรื่องราวของความบริสุทธิ์ของการทําตามบัญญัติ หญิงคนนี้เป็นหญิงชาวขณะอันนะครับอยู่ในเขตเขตชายเขตเมืองไ ท, ไ ท, ไทละและเมืองไซดอนเมืองนี้อยู่ฝั่งเทเซสเทเียสามเอเนเนียนนะครับเป็นเมืองโบราณรู้จักในนามเมืองที่เรียก ว, ว่าฟินิเซียนะครับเป็นเรื่องน่าแปลกนะที่พระเยซูเนี่ยส่งคนออกไปทาํามณฑกเฉพาะคนยิวเท่านั้นนะชนต่างชาติไม่ไปแต่นี้เป็นเมืองที่คนยิวเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยิวกับ ไม่สนใจเลยคือเมืองต่างชาติแต่คนยิวที่พระเยซูส่งคนไปกลับไม่สนใจเรื่องราวข่าวประเสรศิฐไม่เชื่อวางใจในพระองค์แต่เมืองต่างชาตินี้พระเยซูตัดสินใจเดินมาเองอันนี้เป็นความน่าแปลกนะครับแน่นอนครับชื่อที่กล่าวถึงที่มัมมทธิวกล่าวถึงคือตั้งใจกล่าวถึงชาวคนาอันอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง สิ่งที่พระเยซูกําลังบงังศิทำบงังศิบางอย่างแล้วหญิงคนนี้กำลังทําบางศิษบางอย่างที่กล้าหาญมากกับสถาน ก, การณ์แบบนี้เลยภาพของชาวยิวที่ไม่สนใจพระเยซูแต่สนใจบัญญัติทําให้ชีวิตเองไม่สามารถบริสุทธิ์ได้แต่ยิ่งชาวคณะอันที่ไม่รู้จักบัญญัติอะไรมากมายรู้แต่เพียงพระเมสยาห์าเดียวกับได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความเชื่อและพระเจ้าทรงอวยพรเขาได้นี่คือความต่อเนื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหญิงคนนี้ครับ กำลังทําเมืองสีลบางอย่างซึงท้อนถึงความกล้าหาญเลยคือเขากล้าที่จะก้าข้ามธรรมเนียมปฏิบัติการมาของพระเยซูเป็นการมาอย่างเงียบๆนะครับที่เมืองไทแล้และเมืองไซดอนทำมาราโกเนี่ยได้บ่งบอกถึงว่าพระองค์ตั้งใจจะมาอย่างเงียบๆไม่ต้องการจะประกกวัดตัวต่อที่หน้าสานาะเลยแต่มัทธิวเสนอข้อพิลิกอย่างหนึ่งขณะที่พระเยซูกาลังเดินมาครับ เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้คงจะเห็นพระเยซูเดินมาแล้วคงตะโกนบอกพระเยซูครับในข้อที่22บอกว่าพราะองค์ผู้เป็นบุตรแต่วิจเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองเถิดลูกสาวของข้าพระองมีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลาบากยิ่งนักรู้ได้ไงว่าตะโกนมาเพราะเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าในข้อ23ไล่นางมาเถอะเพราะนางร้องตามเรามาผู้หญิงคนนี้กำลังร้องตะโกนครับ ขณะที่พระเยซูอาจจะเดินมาอย่างเงียบๆแล้วมีคนสังเกตเห็นเอ้พระเยซูพระเยซูมาพระเยซูมาแล้วขดท้ายก็ผู้หญิงคนนี้เห็นว่าพระเยซูมารีบตะโกนเรียกเลยช่วยด้วยว่าไงช่วยด้วยช่วยลูกสาวไอ้ฉันด้วยและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วไปในสมัยเก่อนะครับผู้หญิงห้ามตะโกนในที่สาธารณะเด็ดขาดถือว่าไม่สุภาพเรียบร้อยนี่เป็นการกำลดงออกถึงการก้าวข้ามพระธธรรมเลยของเขานี่แสดงความกล้าหาญผู้หญิงคนนี้เลย เขาบกการตะโกนในที่สาธารณะของผู้หญิงต่อหน้าหรือคุยกับผู้ชายเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงจริตจักรันของผู้หญิงคนนี้ที่แบบไม่มีไม่มีมมยางอายเลยว่างั้นเถอะในภาษาบ้านเรานะครับส่งเสียงโวยวายท่ามกลางผู้คนมากมายสาวกบกว่าไล่นักไปเลยเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเนี่ยนางร้องตามเรามาแสดงว่าพระองค์ ก, กำลังเดินไปสาวกเดินไป ผู้หญิงนี้ตะโกนตั้งแต่ชื่อว่าคงตะโกนได้ยินเสียงพระเยซูเดินมาปุ๊บดูว่าพระเยซูมาตะโกนเลยเพื่อขณะที่พระเยซูกำลังเดินเดินเดินเดินไปเพราะว่า น, นี่คือความกล้าหาญเธอกล้าหาญน ะ, ะที่ทำเนียบปฏบิบัติบอกข้ามทำแบบนี้นะแต่ด้วยความเชื่อที่เธอมีเธอแสดงความกล้าหาญเลยคือบอกเลยว่าไม่มีหนทางอื่นแล้วคงไปหาทางที่จะช่วยเหลือลูกสาวตัวเองม า, ม า, มากท้ายไม่มีทางไปเลย ก็เลยคิดว่าเมื่อพระเยซูมาพระองค์เนี่ยน่าจะช่วยเธอแล้วแลวได้ยินข่าวว่าพระองค์เนี่ยได้ทําอัศจรรย์มากมายเลยช่วยเหลือคนมากมายขับผีออกมาตั้งเยอะผีของลูกสาวของตัวเองเชื่อว่าทําได้นะ่เธอจึงกล้าหาญทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งคนอื่นไม่ทํากันบ๊อไฮเบลครับเขียนหนังสือไว้หลายเล่มนะครับเป็นผู้นำผู้อบรมสอนเกี่ยวกับผู้นําทั่วโลกได้ลกล่าวว่าความกล้าหาญ เป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปในสังคมของเรานคนที่มีความเชื่อดีสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญคนที่มีความเชื่อดีก็คือต้องกล้าขาญกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ควรทำต่อสู้ยืนหยัดกับสิ่งที่ไม่ควรทำแต่คนไทยทุกวันนี้เราต้องยอมรับแม่ทาไมเ็ทําแบบนั้นนะ่ะก็คนอื่นๆเขาก็ทากันไงแต่เราไม่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แม่ที่ดีครับหรือสตรีที่ได้รับการยกย่องหรือชื่นชมก็คงต้องเรียนรู้แบบนี้เหมือนกันครับคือจงยืนหยัดกล้ า, าหาญแม้ว่าคนอื่นในโลกทั้งโลกเขาไม่ทํากันนะเราจะยืนหยัดเราจะกล้ า, าหาญไหมทุกวันที่พ่อแม่เลี้ยงลูกค่อนข้างจะตามใจลูกเพราะเขประ ง, งมลูกอย่างใข่ในหินนะไม่ปล่อยให้ลูกในเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากไม่สอนให้ลูกคิดวิเคราะห์พิจินาาเองนะคือหาทางตัวรอดหรือสอนให้ลูกเอาตัวรอดแบบว่า ขอไปทีเจยยะทำไม่ต้องคิดมากลูกทำตามใจตัวเองเลยการสปอยลูกแบบนี้ทำให้ชีวิตของลูกเติบโตขึ้นมาบนชีวิตที่อ่อนแอช่วงนี้เรามีการพูดคุยกันถึงการที่มีคนหลายยุคนะครับหรือคนหลายเจเนอเรชันเรารู้ว่าคนที่เป็นคนที่ผ่านสงครามโลกนะฮะวันนี้ไปกินข้าวคุณแม่สองคนเช่นเดียวกันถามคุณแม่เลยคุณแม่ตอนที่คุณแม่ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาคุณแม่อยู่ที่ไหน คุณแม่บอกคุณแม่หนีไปจันทบุรีนะครับเกือบตายแน่นอนครับแต่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนในสงครามโลกผ่านชีวิตในความทุกข์ยากลําบากฉนั้นคนรุ่นนี้ครับสอนคนรุ่นเจนเอกอย่างผมนะคนรุ่นเจนเอกก็คือ40สิกว่าเนี่ยนะครับให้เรียนรู้จ ะ, ะเผชิญในความทุกข์ยากลําบากฉั้นคนรุ่นผมจึงเผชิญในความทุกข์ยากลําบากโดยไม่ค่อยปิบปากบนมากนะเพราะเรียนรู้มาเยอะพ่อแม่สอนไว้ คนรุ่นพ่อรุ่นแม่บอกเนี่ยแขวนปลาทูไว้นะห้ามกินมองอย่างเดียวแล้วก็ซดเขาต้มไปใช่ไหมคนรุ่นลูกต่อมาปุ๊บต้องเรียนรู้นะ ป, ป, ป้ามาเนี่ยกินปลาทูตัวเดียวคนนั่งกินแปดคนปลาทูตัวเดียวเอามือลูบยังไม่ได้เลยมองนี่อย่างเดียวอะ่ะวันนี้รู้นะ ร, ร, ร, รู้จากคุณค่าของอาหารไหมคุณค่าของข้าวมันกินให้หมดเราเรียนรู้แบบนี้พอรุ่นเราครับสอนอีกเจเนเรชันหนึ่งเลี้ยงลูกมาอย่างสบายเพราะเราสบายแหละมีทุกอย่างทุกอย่างดีหมด อันเริ่มสปอยลูกเด็กเจนวายจึงเริ่มมีปัญหาเาจะเห็นว่าเด็กเจนวายหลายคนเริ่มจะมีปัญหาเรื่องการที่จะทำอะไรตามใจตัวเองเจนซีไปอันใหญ่เลยครับคราวนีเ้เกิดมาปุ๊บมีโซเชียลมีเดียติดไม้ติดมือมาเรียบร้อยรู้ลู ก, ลกทุกอย่างอ่ะเข้าใจทุกอย่างกดดีกว่าคนยุครุ่นปู่รุ่นปู่ย่าตาใหญ่เจเนอเรชันแบบนี้เกิดขึ้นตอน้องรู้ครับถ้าเราอยากจะเป็นสตรีอยากจะเป็นบุรุษ ที่พระเจ้ายกย่องเราคงต้องเรียนรู้จะทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งแหกกฎเกณฑ์จากคนทั่วไปเขาทำกันพระเจ้าสอนให้เราเลี้ยงลูกแบบไหนจงเลี้ยงลูกแบบนั้นจงมอบฝากลูกไว้ในประหัตของพระเจ้ามากยิ่งกว่าที่เราคิดว่าใครเขาก็ทําแบบนี้อาจารย์อย่าคิดเลยมากเลยเนาเให้เราเปลี่ยนวิถีใหมใ่ไหมครับให้เรามาอยู่ในวิธีของพระเจ้าในแผนงานของพระเจ้าลองปล่อยให้เขาทุกยากลําบาก เพื่อเขาจเจริญเติบโตเพราะพระบิเขียนว่าความทุกข์ยากเป็นเรื่องน่ายินดีอย่าปล่อยให้ลูกเรียนรู้แบบถูกประคบประ ง, งมอย่างดีเฝ้าดูแลเลยไม่แต่ปล่อยให้เขาเรียนรู้นะครับเราจะเห็นโฆษณาบางโฆษณาเริ่มมีบ้างนะที่ปล่อยหเห็นลูกหกล้มปุ๊บไม่ต้องไปรีบพยุงขึ้นให้รู้ลู ก, ลกเรียนรู้ที่จะยกตัวเองขึ้นมาแล้วปัดแผลที่เขาเองแล้วทาให้เขายืนหยันขึ้นในตัวเองเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทา แม่ที่มีความเชื่อที่ดีหรือแม่ที่พระเจ้าจะยกย่องสตีที่พระเจ้ายกย่อ ง, ยยองคือคนที่กล้าหานกล้าที่จะแตกต่างและทําสิ่งที่ควรทําอันนี้คือถึงพระเจ้าเราเรียกคนอย่างนี้ว่ากล้าหานวันนี้ต้องหลายกล้าหาันไหมครับแม้ว่ากระแสะโลกมันสวนแบบอย่างนี้เราพร้อมจะสวนกระแสะโลกเพราะเราเชื่อในข้อชนะของพระเจ้าสตรีคนนี้กําลังทําอย่างนี้ให้เราเห็นครับเธอลุกขึ้นแม้สรานการณ์มันไม่เอื้อเลยให้เธอสา ม, มารถตะโกน่ะ ทำเนียบปฏิบัติไม่สามารถใช่ไหมเธอต้องทําแต่เธอฝ่ามันแหวกมันแล้วบอกว่าฉันจะทําสิ่งที่ถูกต้องฉันจะช่วยลูกของฉันนี่คือคุณสมบัติอย่างแรกวันนี้ท่านกล้าหานยืนหยัดเด้ไหมอันที่สองครับไม่ใช่แค่กล้าหานเยอะเธอต้องมีความมุ่ง ม, มั่นด้วยลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ก็คือความมุ่งมัน่สนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเธอร้องขอให้พระเยซูช่วยแต่ดูเหมือนสิ่งที่ตามมาดู ช่างโหดร้ายกับเธอเหลือเกินเธอถูกปฏิเสธสองครั้งครับครั้งแรกพระองค์พัมพีบันทึกเลยครับพระองค์ไม่ตัดตอบอะไรสักคําเดียวในข้อที่ยี่สิพระองค์ไม่ตัดตอบนางสักคําเดียวไม่พูดเลยเงียบไม่ตอบสักคําแล้วก็เดินต่อไปไปถึงบ้านที่พักในรูปมารโกบอกว่าพระองค์ไปยังบ้านที่พักอย่างที่บอกนะครับเพื่อจะหลบจาก การที่คนหลายคนจะเห็นพระองค์ในถ้ำกลางที่สาธารณะอันสาวกก็ยังมาบอกพระองค์ว่าดูสิพระองค์เงียบแบงนี้<ๆ>ก็ไล่<ๆ>ไปเถอะลังคาญแล้วเกิดวิ่งตามลงมาตะโกนเสียงดังไล่ไปถ่ถินะนี่สาวกคงมีความเป็นอคติส่วนตัวเลยคือมองเห็นผู้หญิงปุ๊บผู้หญิงพอเอาผู้หญิงต่างชาติทั้งหากไปเลยไปเลยรีบ ไ, ไปเลยคนยูมีความคิดเลยพรของเราคือของเราไม่แบ่งคนต่างชาติไม่แบ่งนี่ผู้หญิงปุ๊บผู้หญิงต่างชาติอีกไปเลย ข้อสองครับพระเยซูจั่นวันนี้พระองค์เริ่มตัดแลครับยีิบสี่ครับเราไม่ได้รับใช้มหาใครเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลโอ้โหมีการพูดแบบนี้ปุ๊บนักวิชาการบางกระแสหรอกว่าพระเยซูเนี่ยเหยียดเชื้อชาตินัเป็นเรีสิสนะครับเป็นพวกที่เหยียดเชื้อชาติว้าฮพระเยซูจริงพระองค์ไม่ได้เหยียดเชื้อชาติะคณะอันต้อบอกว่าคณะอันเนี่ยเป็นดินแดนที่ คนอิสราเอลเนี่ยไม่ชอบนะครับในเชื้อธรรมดัตบ ท, ที่ยี่20ข้อ 16-18 กได้พูดถึงชาวคณะอันเป็นประเทศที่ต้องถูกทำลายล้างออกจากแผ่นดินของพระองค์ดินสัญญาของพระเจ้าการตอบของพระองค์ดูเหมือนจะเป็นการหวงเฉพาะสิ่งดีเอาให้คนอิสราเอลนะคนอื่นไม่ต้องแต่แท้จริงแล้วภาพของพระเจ้ามีความประรถนาะจะให้อิสราเอลตั้งหาจะเป็นพรไปสู่บรรดาชาชาติ อันพระเยซูพูดอย่างนี้มันมีความหมายอย่างไรตรัวเหมือนลายกระแสบอกว่านี่เป็นเหมือนกับการทดสอบความเชื่อของผู้หญิงคนนี้เรามาดูท่าทีอย่างแรกก่อนของพระเยซูคือการเงียบการเงียบของพระองค์หรือการปฏิเสธไม่ได้บ่งบอกว่าพระองค์เมินเฉยหรือไม่ใส่ใจนะครับพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีกับชีวิตของเราแน่นอนการที่พระเยซูเงียบไว้ต่อสนองการร้องขอของนางมาธาและมารีนะครับ แม่นางมาธามารีเนี่ยใช้จิตวิทยาสูงมากในการมาหาพระเยซูขะที่ลาสลัดน้องชายตัวเองป่วยบอกว่าพระเยซูลาสลัดคนที่พระองค์ทรงรักป่วยอยู่แม่คาพูดนี้น่าเด็ดขาดมากเพื่อจะบอกให้พระเยซูรีบมาพระพี่บันทึกครับในยอห์นสิบเอบอกว่าพระเยซูลักคนครอบครัวนี้มากมาธามารีและลาสลัดพระบางทีบันทึกต่อเลยคนรักกันต้องเรีบมาแต่พระเยซูพระพี่บันทึกงี้ครับพระเยซูอยู่ต่ออีกสองวัน โอ้น่ะใช่แล้วนะฮะมีเสียงตอบสนองด้วยใช่อยู่ตอนสองวันครับเพื่ออะไรครับเพื่อลาสราตเนี่ยตายสนิทครับหลังจากพระเยซูไปถึงนี่นั่นครับระยะทางระยะทางไม่ไกลเลยไม่กี่กิโลเองครับแต่เมื่อพบกันแล้วปุบ๊บโอ้ลาสลาตตายไปแล้วสี่วันครับศพเนี่ยเน่าละทำไมต้องรออีกสองวันเพื่อให้ตายสี่วันเพราะว่าชาวยิวมีความเชื่อว่า ถ้าวิญญาณออกจากล่างไปแล้วสามวันขึ้นไปวิญญาณจะไม่กลับล่างอีกเลยดังการทัพเยซูร้อยสองวันเพื่อให้ราซัดตายจริงๆมิจะตายธรรมดาด้วยตายแบบเหม็นด้วยศพเน่าแล้วนอนนีขึ้นแล้วอ่ะและพระองค์กลังพิสูจน์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ว่าพระองค์จะชุบคนที่มีนอนขึ้นลำศพเหม็นแบบนี้ให้ฟื้นขึ้นจากความตายให้ดูดังการเงียบของพระองค์ไม่มี เป็นไม่ไ้เป็นการบ่งบอกว่าพระองค์ไม่ใส่ใจพระองค์ใส่ใจเราดีแต่พระองค์มีพระประสงค์ที่เหนือกว่ากว่าที่มนุษย์คิดผมเชื่อว่าวันแม่ต้องเทศเรื่องนี้คือนางฮันนานางฮันนาครับมาร้องทูลขอพระเจ้าผมเชื่อว่านาคันนาเนี่ยคงมาวิหารทุกๆุกเปยขอทุกเปย์อยากมีลูกอยากมีลูกอยากมีลูกแต่เวลามันยังไม่ถึงเวลาเหมาะสมครับนางคงจะมีคําถามแล้วก็มีคำถามทำไมพระเจ้าไม่ตอบทีข อ, อนานแล้ว น่าจะขอนะปล่อยให้นางทุกใจปล่อยให้ภรรยาคู่ขาของสามีเนี่ยด่าเยาะเย้ยทุกวันน่ยทุกปีอะ่ะยัไม่มีลูกไม่มีลูกเป็นหมันก็เป็นหมั น, ค, น, น, มนความคิดงดสมัยก่อนก็นเป็นหมันคือคนที่พระเจ้าทรงสราบแชิงแต่เวลาที่พอเหมาะครับพระเจ้าได้ประทานลูกแล้วลูกคนนี้กลายเป็นบุคคลที่สําคัญในการสถาปนากษัตริย์สององค์ของอิสราเอลจนกระทั่งพระเจ้ายอมเปลี่ยนหัวใจของนาง ฮันนาบอกว่ามีลูกจะให้ลูงวันนี้ถ้าพระเจ้าเงียบในชีวิตของท่านผมขอหนุนใจพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีอย่ารู้สึกกลัวอย่าโนอย่าหมดหวังดูดาเนียนกับเพื่อนสิครับโอ้โหทั้งดาเนียนทั้งเพื่อนเนี่ยถูกคมแหงจากกษัตริย์นะครับทั้งเนบุคัตเนสซาและดาเรียสพวกเขาเพื่อนสามคนถูกโยนลงในเปลวไฟ ทายบอกว่าโอ้ถ้าพระเจ้าจะไม่ช่วยพวกเราเราจะยังคงจงรักภักดีต่ อ, อพระยา ว, วยุท่์โยนลงในไฟแลาวแม่นแน่ดาเนียนเองที่อธิษฐานที่เขาเกิดจิตจิกายว่าห้ามอธิษฐานต่อพระในว่าง30สวันดาเนียนอธิษฐานเหมือนเดิมครับถูกจับโยนลงถ้ำสิงโตเขาสองทั้งสี่คนเหมือนกันเลยคือตายก็ยอมมุ่งมั่น ที่ยืนหยัดอยู่ในความทรงรักพักตีต่อประชาราคาวันนีคือสถานการณ์ที่ดูเหมือนกดดันผู้หญิงคนนี้แล้วดไปจนถ้าเป็นเราเราคงจะบอกว่าไม่ไปละถ้าปฏิเสธนักหนาถ้ามันเยะเย้อยเชื้อชาติอย่างเงี้ยไม่ไปก็ได้ว่ะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจด้วยสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้แสดงความเชื่ออย่างไม่มุ่งมั่นคือเธอไม่ย่อท้อเลยปฏิเสธสองครั้งน่าจะม้วนเสื่อกลับบ้านได้แล้ว แต่สิ่งที่เธอทำคือพังพีบันทึกครับพังพีบันทึกต่อในข้อย5้าผู้หญิงคนนั้นจึงมากราบและทูลพอกว่าองค์พระพิญาขอโปรดช่วยข้าลงเถอดโอ้โนะวิ่งตะโกนตะโกนตะโกนเสร็จแล้วไม่ตอบสนองเลยเธอวิ่งต่อครับจนมาถึงบ้านที่พระเยซูพักมาถึงเนี่ยก้มกราบลงเลยร้องทูลต่อพระเจ้าช่วยเธอด้วย การทํานแสดงออกถึงการไม่ย่อท้อเลยนะเขามีความหวังเสมอแหละที่เราทั้งหลายจะเห็นสิ่งดีๆว่าเชื่อพระเยซูเนี่ยช่วยเธอได้ไม่มีอะไรจะมาสั่นคลอนให้เธอเลิกที่จะเชื่อมั่นในของพระองค์เหมือนเพียงที่เราร้องเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สัตว์พระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้ขอเพียงพระองค์เมตตานั่นแหละตกปากรับคําสิ่งที่เธอคาดหวังมันจะเป็นไปได้ ถ้าเธอได้ยินมาเยอะว่ามีคนหลายคนมาหาพระเยซูพระองค์ไม่เคยปฏิเสธเลยงั้นเธอเองก็จะไม่ปฏิเสธก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันน้องหลายครับวันนี้เราเมื่อเราติดตามพระเจ้ามีอุปสรรคในชีวิตของเราไหมที่ทำให้เราไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เราเลือกทำไรก่อนบนก่อนไหม โ, โวยโวายก่อนเลยถามพวกว่าทไมต้องเกิดเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็สิ่งที่เรามักจะ เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอิทธิพลของสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นแม้รุ่นพ่อรุ่นแม่เรากว่าจะจีบกันได้เขียนจดหมายกว่าส่งส่สงจดหมายติดสแตมป์ใช้น้ำลายไปหลายหยดสแตมป์กว่าจะส่งถึงกว่าของส่งเสร็จอ่านเสร็จปุ๊บส่งกลับมาออ้นานน่ยยุคนี้กดติ๊กเกอร์เย็ยูยยูนะมีสันได้ด้วยมีเสียงต่างหากทุกอย่างเร็วไปหมด แล้วเราจะเชื่อพระองค์อย่างทันทีรวดเร็วแบบหญิงคนนี้อู้ยากใช่ยากแต่พี่น้องหลายครับวันนี้ถ้าอุปสรรคเกิดวันนี้ท่านจะเลิกเชื่อมั่นอย่างง่ายง่ายหรือเปล่าอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งย่อท้อครับจงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราคนที่ดูเราครับให้เราลักษามุ่งมั่นแม้ประสบปัญหาเราจะไม่บ่นแม้ขณะที่เรากาลังขับรถขณะที่คุณพ่อคุณแม่กาลังขับรถ แล้วลดปาดหน้าเราปุ๊บที่สเตียน์ควรทำยังไงดีหืมปิบแตะใส่มาเลยไหมอ้าเขาน่าใจกันแล้วก็สะบัดคาหยาบคายให้ลูกได้ยินหรือเปล่าเราทําแบบนี้ไหมหรือเราทําอย่างนี้อ้าเจ้าอุพพลเจ้าอุพพลผมว่าเราทําอย่างนี้มันน่าจะทําให้คนหลายคนตั้งคําถามทาไมพ่อไม่ว่าเขาล่ะ เราเป็นคริสเตียนผมว่านี่คือการยืนหยัดไม่ยอ่อท้อให้เราทุกหลายยืนหยัดที่จะมีชีวิตที่ดีงามที่สุดให้ลูกหลานเราฟ้องมองดูแบบอย่างที่ดีของเรามีชีวิตที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดไปอดีตผู้นำวัสี่ครับได้สอนให้แบบอย่างการอดิฐานที่น่าสนใจ มิฐานสองอย่างนี้จดจำไว้ครับเอาไปใช้กับชีวิตของเราได้หนึ่งก็คือข้าพเจ้าขอให้ตายดีขอให้เราตายแบบว่าไม่ต้องมีสายยางมาเสียบนะเข้าท่อนี้ออกท่อนี้ทะลุท่อนี้ขอให้ตายแบบขึ้นเตียงปุ๊บแล้วก็หลับแล้วก็จากไปฮนะดีกว่าไหมแบบนี้ไหมหพี่น้องนะแบบนี้ดีนะขอให้ตายดีที่สองขอให้จบดีโอเป็นคริเกษมมาตั้งนานนะ่ะชีวิตเป็นเกษยมาตั้งนานนะ่ะอยู่ดีมาล้มลงในความเชื่อ อาเสดายขอแล้วเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานของเราครับให้คนชื่นชมเราจนวันตายของเราจบดีตายดีวันนี้ท่านอยากจบดีตายดีไหมขอพระเจ้าให้ท่านบอ ก, บอ ก, บอกพวกว่าพงศ์เจ้าขขอแบบนี้เลยขอให้จบแบบดีๆอ่ะทักษาความเชื่อมาตั้งยี่ปีอาสุดท้ายเลิกเชื่อพระเจ้าเฉยหรือตอนเดินชีวิตมาแทบตายอ่ะพอตอนแกน่ลูกหลานดา่า สาบส่งอยู่ข้างหลังโอ้ไม่เอานะพี่น้องแหละถ้าเราอยากให้พระเจ้าชื่นชมจงรักษาชีวิตไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากอุปสรรคปัญหาจนถึงสุดปลายชีวิตเมือนที่เปาโลครับรักษาความเชื่อจนถึงสุดปลายที่โมธีบอกว่าดูบอกที่โมธีว่าข้าพระเจ้าต่อสู้สุดกําลังมงกุฎแห่งชีวิตเป็นของข้าพระเจ้าแล ว, วันนี้ท่านหลายจะพูดงนี้กับลูกหลานไหมกับคนที่ดูเราแบบอย่างจากเราไหม น้องเลี้ยงของเราแม้ว่าวันนี้นะดูแบบอย่างนี้เลยจบดีแน่นอนไปขอบคุณพระเจ้านะครับขอเรามีท่าทีแบบนี้ตลอดวันคืนชีวิตของเราไ้สามครับไม่ใช่เแค่กล้าหาญ อ, อยู่ๆไม่ใช่แค่มุ่งมั่นอย่างเดียวแต่เธอทอมใจด้วยเมื่อเริ่มสนทนากับพระเยซูครับดูเหมือนความหวังมันน่าจุดประกายขึ้นนะอย่างไรก็ตามบทสนทนาต่อไปยิ่งท้าทายกว่าเดิมครับ ดูบทสนทนาต่อไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าความทอมใจพระเยซูพูดต่อมาครับพระองค์ตัดตอบว่าจเจ้าอาหารของลูกโยนให้สุนัข ก, ก็ไม่ควรว้าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคําพูดของพระเยซูดูเหมือนจะทำให้ความหวังที่กำลังเรืองรองเรืองรองดับวูบอะเพราะอะไรครับดูเหมือนนัวกวิชาการบางกระแสบอกว่าพระเยซูเป็นพวกเหยียยเชื้อชาติไม่พอนะ พระเยซูยังดูถูกคนอื่นยิ่งพยองในความเป็นชาติยยวอีกเนี่ยพูดแบบเนี่ยเหมือน ก, ก, กดหัวคนต่างชาติว่าพวกเธอไม่ดีกว่าสุนัขตัวหนึ่งหรอกฉันที่เป็นชาวเยลพวกเยลที่แข่งคัดตั้งหากที่ถือว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงโอยเปาโลใช้คําที่คิดว่าสุนัขอย่างนี้นะครับเรียกพวกชาวเยลที่แร่งคัดในศาสนานะครับที่สอนบรรดาผู้เชื่อในเมืองกรีเทีย ว, ว่าเมืองฟิลิปปีว่า หรือแม้แต่กระเทียว่าคนคูกนี้ดูเหมือนจะเป็นสุ น, นักสุนักในที่นี้เป็นมาใช้คําว่าฮาวนะครับห ร, l, หรือเกรย์ฮาวเสื้อเกรย์ฮาวคำว่าฮาวตัวเดียวกันกนะ็คือสุนักล่านเนื้อเองนี่เป็นสุนักหน้าเรือที่แพร่คําสอนทเทียมเช็ดที่ว่าความรอดต้องบวกความเชื่อและบวกการกระทํำเข้าด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่เป็นสุนักที่เรียกว่าฮาวนะครับ เปโต้ก็ใช้คํานี้เหมือนกันเรียกชาวเยือพวกนี้เช่นกันว่าชาวเยือพวกนี้เคยเชื่อพระเยซูแล้วสุดท้ายทิ้งความเชื่อกลับไปยึดถือแนวปฏิบัติแบบเดิมเหมือนสุนัขที่หันกลับไปกินสิ่งที่มันสำลร อ, กออกมาการเชื่อพระเยซูดีอยู่แล้วแต่กลับไปหันกลับไปหาวิธีการแบบดั้มเดิมที่คิดว่าตัวเองจะรอดได้โดยการพึ่งธรรมบัญญัติสุดท้ายรอดไม่ได้ก็เหมือนสุนัขสํารอกสิ่งกินในสิ่งที่มันสำรอกออกมาเ้าในความคิดนี้ ใช่สุนัขในคําว่าหハウแต่ไม่ได้ใช้าวที่นี่พร่อผีไม่ได้ใช้สุนัขที่พระเยซูพูดนี้ด้วยคําว่าหハウพระองค์ใช้คําว่าพัฟฟี่พระองค์ใช้คําลูกสุนัขตัวเล็กๆตัวนึ ง, งเป็นสุนัขที่ใช้เลี้ยงตามบ้านเอาไว้ให้ลูกชาวยิวเนี่ยเอาไว้เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนของลูกชาวยิวทั่วไปเป็นสุนัขเล็กๆน่ารักน่ารักไม่กัดกัดไม่เจ็บด้วย อาจจะเป็นปอมนะครับที่เห่าอย่างเดียวแต่กัดไม่เป็นนะฮะเป็นสุนัขน่ารักน่ารัการ ก, การที่เยซูพิถีพิธัธนเลือกคําคํานี้ขึ้นมาไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีสภาพที่ตกต่ําเป็นชนต่างชาติที่อีกชนชั้นหนึ่งไม่ใช่พระเยซูเลือกพิถีพิธันนี้กําลังบอกเลยว่าหญิงคนนี้เป็นเหมือนกับสุนัขเล็กน่ารักนา่กน า, รกนารักอยู่ในบ้านเดียวกับเจ้าของบ้าน เป็นสุนัขที่ลูกเจ้าของบ้านเนี่ยรักมากอยู่ใกล้ชิดะพะเยซูกว่าพร อ, อาหารที่กินอยู่บนโต๊ะอาหารของลูกแม้มันหล่นลงไปสุนัขตัวนี้ก็จะได้กินอาหาร อ, าอร่อยร่อยแล้วได้พรที่แบ่งปันมาสิด้วยผู้หญิงคนนี้ได้ ย, นยินอย่างนี้ปุ๊บถ้าด้วยความอาคตินะผู้หญิงคนนี้คงจะรู้สึกว่าจะเป็นหมาแล้วไงยกเ่ายกกัดซะเลยพระเยซู คงม่แต่ยังคนนี้คงพิถีพิถันในการคิดแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความเรารู้ว่าเธอถ่อมใจคือเธอยอมรับเธอยอมรับฐานะนของเธอว่าเธอเปรียบตัวเองเป็นเหมือนสุนัขตัวเล็กตั ว, ต, วตัวหนึ่งเองที่อยู่กับเจ้านายพร้อมจะกินเศษอาหารที่ตกออมาจากโต๊ะของนายเธอคงเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่เลี้ยงคนการเลี้ยงคนห้าพันคนมาเรียบร้อยอู้เหลือต้อง12ตะกรนะ้านี เธอคาดหวังว่าขอกินเศษขนมปังที่เหลือจากที่คนอื่นกินก็ได้ดีกว่าปล่อยให้ตัวเองอดอยากที่ไม่ได้รับพระพรจากพระเจา้าเธอยอมรับสภาพแบบนั้นเลยขอให้พระเมสยาองค์นี้แบ่งปันเศษขนมปังที่เหลือให้เธอและครอบครัวขนมปังแห่งพรที่เธอสัญญาที่คนยิวได้ขอให้คนต่างชาติอย่างฉันได้บางเธอเธอไม่ร้องให้พระองค์ต้อง ให้ยกระดับเธอให้เป็นดย่งลูกของเจ้าของบ้านหรือกลายเป็นชนชาติยิวไปไม่เธอยอมรับและนี่คือความทอมใจที่เธอยอมเรียนรู้และนี่คือความเชื่อที่มีมากมายซึ่งจะท้อนออกมาด้วยความทอมใจเธอยอมรับพระองค์เป็นนายเธบอกว่าจริงเจ้าข้าสุนัขย่อมกินเศษที่ตกจากโต๊ะนายของมันพระเขากำลังเรียกพระองค์ว่าพระองค์คือนาย พี่น้องครับวันนี้ถ้าเราจะเป็นสตรีหรือบุรุษหรือแม่หรือพ่อที่พระเจ้าทรงชื่นชมสิ่งที่เราตงเรียนรู้เลยคือความถ่อมใจการยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าการอยู่ในแผนของพระองค์ไม่ใช่แผนของเราการยอมที่จะบอกว่าพระองค์เจ้าข้านี่คือกระดาษ A4 เปล่าๆเลยลูกของข้าพรงเป็นลูกของพระองค์เอาไปเลยพระองค์อยากให้เขาเป็นอะไรไม่ใช่บีบคอลูกแม่อยากเป็นหมอแม่เอ็นหมอไม่ติด ลูกต้องเป็นหมอเราบีบขั้นความคาดหวังตัวเองให้ลูกของเราจะเป็นหมอแทนเราเพื่อสืบหรือสนองความต้องการที่เราอยากเป็นนั่ว่าครับนั่ไม่ใช่การเลี้ยงลูกในนามาไทยของพราเจ้าการเลี้ยงลูกนามไทยพระเจ้าเลยคือพระองค์เจ้าข้ากระดาษ A อฟครับพระองค์อยากลูกของข้าพระองค์ไปไหเข้าพรงเป็นหมอนะสุดท้ายลูกของหมอบางคนกลายเป็นนักจิตรกรวาดภาพไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยสักนิดหนึ่งแต่เขากลับมีความสุขที่สุดในชีวิต วันนี้ท่านหลายยอมจมดนอย่างนี้หรือเปล่าพระองค์คือนายเราคือทาาพระองค์ทั้งหากเป็นเจ้าของชีวิตของเราที่แท้จริงถ้าอยากใช้พระองค์อวยพรชีวิตของเราจงยอมทอมใจลงแล้วบอกพระองค์ว่าพระองค์ชักค่ะพระองค์คือเจ้าชีวิตข้าพระองค์คือท่าสมัครของพระองค์ไม่ได้หญิงคนนี้ทำข้าพระองค์ยอมกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของนายพระองค์เป็นนายเจ้าค่ะข้าพระองค์ยอมเลยถ้าพระองค์จะไม่ใช่เศษอาหารแต่โยน น้องไก่ทั้งชิ้นให้ลูกขอบคุณถ้าพระองค์จะไม่ให้น้องไก่เอาเพียงแค่เอ็นติด ก, กระดูกของไก่ให้ก็ขอบคุณ mm hmm. นั่นคือแส่วนซ้อนออกเลยถึงการที่ยอมรับพระองค์เป็นเจ้านาะยวันนี้ท่านหลายยอมจำนวนต่อสิคนี้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เมื่อผู้หญิงนี้ทําอย่างงี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเลยคือยิ่งเอย๋ยความเ mm hmm. ชื่อของท่านก็มาก ให้ไปไปตามความต้องการของท่านเถอดเราลูกสาวของนางก็หาเป็นปกติตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถ้าอยากใชนชีวิตเต็มด้วย อ, อัศจรรย์แบบนี้ไหมว้าวง่ายนิดเดียวกับพี่น้องเราเลยจงมีความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องแสดงออกสามอย่างวันนี้ครับหนึ่งกล้าหาันวันนี้ท่านกล้าจะสวนกระแสในสิ่งที่คนอื่นเขาทากันในนามไทยพระเจ้าสองท่านต้องมุ่งมัน่น มีความมุ่งมั่นครับไม่ยอ่ทอท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นโอ้มันยากแน่นอนครับผมรับประกันการที่จะรักษาความเชื่อแต่ทั้งหลายจงมุ่งมั่นไม่ยอ่อท้ออัน ท, ที่สาครับจงถ่อมใจและท่านถ่อมใจไปกับพระเจ้าจเนินชวิตไปกับถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเราท่านจะได้เห็นอัศาจรรย์ในการช่วยกู้ของพระองค์ผู้เป็นนายของเราชาร์ลส์พเชนครับได้พูดประโยคได้อ้างอิกบางสิงอย่างซึ่งน่าสนใจมาก เขาบอกว่าชาสวสโเจนบอกว่า 98% ของคนที่เขาพบปะด้วยรวมทั้งคู่ที่เป็นฆาตกรนะครับในเรือนจำที่เขาไปเยี่ยมเยียนในคุกที่ประเทศอังกฤษบอกเขาว่าว่าพวกเขาเชื่อพระคัมภีร์ว่าเป็นความจริง 98% เลยนะเชื่อเลยพระคัมภีร์ที่เป็นความจริงแต่แน่นอนครับคน 98% ที่เขาเชื่อพระคัมภีร์ไม่เคย ให้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องส่วนตัวของชีวิตไม่เคยยอมจมด น, นเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเยซูเลยสำหรับพวกเขาคำว่าความเชื่อไม่ได้เป็นคำกริยาแต่เป็นเพียงแค่คำนามวันนี้เรามีความเชื่อมากมายพี่น้องหลายเราเชื่อนู่นเ ช, ชื่อนู่นเชื่อนี่เชื่อนู่นเชื่อนี่แต่การเชื่อที่แท้จริงก็คือ นี่คือเก้าอี้ตัวหนึ่งมีเก้าอี้สามขาตัวหนึ่งการเชื่อคือโอ้เชื่อว่าเก้าอี้ตัวนี้รับน้ําหนักเราได้นั่งเลยสิไม่นั่งทําไมอ่ะเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่ใช่เหรอเชื่อแต่ไม่นั่งอันนี้เราไม่เรีกว่าเชื่ออันนี้แค่มีความเข้าใจว่าเชื่อนะคนที่เชื่อคือเดินลงไปนั่งเก้าอี้อนี้อ แม้มันอาจจะสั่นบ้างเพราะน้ำหนักเราเยอะแต่เรารู้ว่ามั่นใจว่ามันจะไม่หักวันนี้ท่านเชื่อแบบไหนเป็นนามหรือเป็นคํากริยาที่แสดงออกจริงๆ <c oughs> ถ้าท่านอยากจะเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงชื่นชมจงเชื่อเป็นการกระทําแสดงออกมาด้วยความกล้าหาญแสดงออกมาด้วยความมุ่งมัน่นแสดงออกมาด้วยความถ่อมใจแล้วท่านจะได้ยินเสียงจากฟ้าบอกว่า เจ้าเป็นลูกที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเราอิถานด้วยกันไหมครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับสงบ จ, จิตใจลงถามตัวเองวันนี้ครับเราเป็นคนที่มีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทําหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ความเข้าใจในความคิดเหมือนนางมาทาที่บอกว่าเชื่อพระเจ้า ว, ว่าพระองค์สามารถชุบคนตายให้ฟืน้นแต่พอให้เปิด อุโมง์เปิดกลิ้งก้อนเห็นออกเปิดอุโมง์นางกับบอกว่านางอย่าทําอย่างนั้นเลยศพคงเหม็นเน่าแล้วความเชื่อเป็นการกระทำออกมาเป็นการกระทำจริงหรือเปล่าไม่เพียงแค่ความรู้ความเข้าใจที่เรามีาท่านอยากเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงชื่นชมจงให้ความเชื่อของท่านเป็นการกระทำมีเรื่องอะไรในชีวิตของท่านบ้างที่ท่านบางครั้งรู้สึก ยากแล้วไม่อยากจะก้าวต่อไปท้อใจแล้วหมดหวังไม่มุ่งมั่นจะเดินหน้าต่อไม่กล้าจะสวนกระแสเหมือนอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันยึดมั่นถือมั่นตัวเองไม่ถ่อมใจลงเพื่อพึ่งพระเจ้าบ่ายวันนี้ผมเชิญชวนครับบอกพระองค์ข้าพงษเชื่อพระองค์ข้าพงษ์ไว้ใจพระองค์ทุกอย่าง ขอพระองค์ทรงโปรดให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพงศ์งหลยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่และความอาัศจรรย์ของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นในชีวิตเราพระยาเจา้าก็องหลายขอบคุณพระองค์ครับสําหรับความจริงของพระเจ้าที่มาถึงข้าพงศ์ไหล่ขอทรงโปรดให้ความเชื่อของพระองค์ที่ประทานให้กับข้าพงศ์ไหล จะเพิ่มพูดมากขึ้นในข้าพวงหลายเป็นความเชื่อที่ไม่เป็นเพียงแค่เป็นความรู้ความเข้าใจแต่จะเป็นการกระทําที่แสดงออกเป็นการกระทำที่คนมากมายจะเห็นว่าพระเจ้าที่ข้าพว ง, งเชื่อทรงฤทธิอานาจยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ไม่ได้ความรักความเมตตาเพียงใดขอสมบูเมตตาด้วยเถอดครับขอพระองค์สงบูรณอวยพรข้าพวงหลายให้ชีวิตของข้าพวงหลายสํำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ออกมาในชีวิตของข้าพวงหลาย มอพระองค์ที่อยู่ในข้าวโพงยิ่งใหญ่และแสนดีเพียงใดมาอยู่บนนั้นขอทรงโปรดขยายเขตแดนแห่งชีวิตของข้าวโพงไหลให้ความเชื่อของข้าวโพงมีอิทธิพลไปสู่คนรอบข้างมากยิ่งขึ้นเหมือนที่หญิงคณะอันคนนี้ได้สแสดงความเชื่อจนมีอิทธิพลถึงลูกสาวของเธอได้รับการรักษาให้หขอความเชื่อนี้จะกระจายออกไปจากชืวิตของข้าวโพงมากขึ้นมาอยู่บนนั้นขอพระองฤ์ทรริษของพระเจ้าได้นำพาชื่อตของข้าวโพงไหลาย ให้มีความเชื่อมั่นในพระองค์ทุกวันเวลาให้ข้าพง์เริ่มต้นดีและจบท้ายอย่างดีตลอดวันคืนชีวิตของข้าพงศ์หลาปกป้องขาพงศลายให้ความตั้งใจนี้คงทนยาวนานตลอดวันคืนชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนช่วยพอดครับ